ความเชื่อโชคลางส่งผลให้ไปเกิดในทุกขติภูมิความเชื่อโชคลางเป็นต้นเหตุให้กระทํากรรมชั่วที่ส่งผลให้ปฏิสนธิในทุกขติภูมิดังจะทราบได้จากเรื่องของนายพรานสุนัขชื่อโกกะกล่าวคือในสมัยพุทธกาพลพรานสุนัขนายหนึ่งชื่อว่าโกกะดพำนักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเวลาเช้าพลานโกกะพร้อมด้วยสุนัขจะเดินทางไปล่าสัตว์ในป่าระหว่างทางได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านพลานไม่พอใจคิดว่าการพบพระภิกษุเป็นลางร้ายทำให้อับโชคและในวันนั้นก็ได้ผเอิญล่าสัตว์เป็นอาหารไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเมื่อกลับมาพบกับพระภิกษุรูปเดิมอีก จึงเกิดความโกรธแค้นว่าเป็นเพราะพระภิกษุทำให้ตนโชคร้ายจับสัตว์ไม่ได้จึงให้สัญญาณสั่งสุนัขให้กัดพระภิกษุพระภิกษุรีบปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้นั่งอยู่บนกิ่งที่ไม่สูงนักนายพรานได้ใช้ปลายแหลมของลูกศรแทงที่ฝ่าเท้าของท่านทำให้ท่านต้องยกเท้า ที่ถูกแทงขึ้นแล้วก็หย่อนเท้าอีกข้างหนึ่งลงไปสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดจีวรของท่านก็ลื่นหลุดลงไปคลุมที่ในพรานฝูงสุนัขล้อมรอบต้นไม้อยู่นั้นคิดว่าในพรานเป็นพระพิสุจึงเข้ารุมกัดจนถึงแก่ความตายเมื่อสุนัขรู้ว่าได้กัดเจ้าของตายก็ตกใจพากันวิ่งหนีไป จากนั้นพระพิสุลงจากต้นไม้แล้วเข้าไปกราบทูลเรื่องราวแด่พระผู้มีพระภาคด้วยความสงสัยว่าศีลของตนจะด่างพร้อยหรือไม่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคนพาลที่ประทุสร้ายบุคคลไม่ประทุสร้ายตอบผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสกรรมชั่ว ย, ย่อมหวนกลับมาสนองเขาเหมือนผงธุลีที่ซัดทวนลมไปย่อมเปลวกลับมาหาตน การที่นายปราณในเรื่องนี้ต้องตายอย่างอนาถและต้องไปเสวยทุกข์ในอบายภูมิเป็นเพราะกรรมชั่วที่มีรากเหง้ามาจากเชื่อโชคลางของเขาคนบางคนมีความวิตกกังวลเมื่อหมอดูทำนายว่าดวงไม่ดีจึงเอาดอกไม้ไปบูชาพระพุทธรูปไปฟังเทศหรือไปปฏิบัติธรรม ส่วนบางคนฝันว่ามีโชคร้ายก็ไปนิมนต์พระให้สวดพระบริ์เพื่อสะเดาะเคราะห์การกระทำกรรมดีของเขาย่อมชักนำให้ไปปฏิสนธิในภพที่ดีแต่แม้จะเกิดในภพที่ดีก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ไม่ต่างกันกับการเกิดที่เป็นผลของกรรมชั่ว คนขาวบางคนทำกรรมชั่วเพื่อป้องกันตนไม่ให้ประสบเคราะห์ร้ายในคำพีชาดกได้กล่าวถึงพระราชาบางพระองค์มีบัญชาให้ทำเพลกรรมด้วยการฆ่าสัตว์ต่างๆอย่างละสีเพื่อสังเวยเทพ ย, ายดาเช่นแพะมา้าและคนซึ่งเรียกว่าสัพพจตุกะยันคือการบวงสรวงโดยฆ่าสัตว์อย่างละสี เพื่อทำาพรยกรรมด้วยการฆ่าสัตว์อย่างละแปซึ่งเรียกว่าสัพพะกะยันคือการวงสวงที่ฆ่าสัตว์อย่างละ8ในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลก็เคยเตรียมจะทำพิธีบูชายันเช่นเดียวกันกล่าวกันว่าพระองค์พอพัทไทภรยาของอมาร์ตคนหนึ่งทรงสั่งให้สามีของนางไปปฏิบัติภารากิจ ในชนบทห่างไกลหากทำงานไม่สำเร็จแม้กลับมาภายในวันเดียวก็จะต้องโทษอามาดผู้นั้นรีบปฏิบัติราชการตามรับสั่งจนสำเร็จแล้วรีบกลับมาถึงพระนครก่อนอาทิตย์จะอัสดงแต่ประตูเมืองได้ปิดก่อนจึงต้องค้างคืนที่วัดพระเชตวันทางฝ่ายพระราชาได้ถูกปราคะ และความปรารถนาอันชั่วช้าเข้าครอบงำจนบรรทมไม่หลับทรงได้ยินเสียงที่น่าหวาดกลัวของบรุษสี่คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกเพราะกรรมที่ได้เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นในชาติก่อนทั้งนี้คงเป็นเพราะพุทธานุภาพที่ได้บันดาลให้พระราชาทรงได้ยินเสียงจากนรกเท้าเธอทรงมีความประวัตพลันปรึงในเสียงนั้น เมื่อถึงเวลาเช้าจึงตรัสถามพรามปุโรหิตพรามทูลว่าเสียงนั้นเป็นลางบอกเหตุร้ายและทูลแนะนำให้ทรงประกอบปรีกรรมต่อเทวดาด้วยช้างม้าเป็นต้นอย่างละร้อยตัวพระราชาตรัสสั่งให้เตรียมสัตว์เพื่อบูชายานตามคำแนะนำ พวกมนุษย์ช่างมีธรรมชาติที่โหดร้ายสามารถสั่งให้ฆ่าสัตว์เป็นพันชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของตนเองนอกจากสัตว์ต่างๆแล้วยังมีมนุษย์อกจจำนวนหนึ่งที่จะถูกฆ่าเพื่อบูชายันด้วยเมื่อพระมเหสีพระนามว่าพระนางมาลิกาทรงได้ยินเสียงคล่ำกรวนของเหล่าสัตว์เคราะ์ร้ายพวกนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชา ทูลแนะนำให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธองค์จะดีกว่าในครั้งนั้นพระศาสดาทรงรับรองว่าเสียงที่น่าหวาดกลัวที่ทรงได้ยินนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าประเสนที่โกศลแต่เป็นเสียงของบรุษสี่คนที่กำลังเสวยทุกข์อยู่ในโลหะกุมพีนรกเพราะในสมัยของพระกัสปะพุทธเจ้าพวกเขาได้เป็นชู้กับหญิงที่มีสามีแล้ว ขณะนี้พวกเขาสำนึกผิดและพยายามประกาศความตั้งใจที่จะกระทำความดีเมื่อพ้นจากนรกเสียงพูดของเขาเป็นถ้อยคำเพียงหนึ่งพยางว่าสุสนัโสมีข้อความโดยย่อดังนี้คำวัตถุเป็นพยางแรกของบาตรคาถาว่าทุตชีวิตตมะ จีวิมหามีใจความว่าพวกเราเมื่อมีสมบัติพัสถานไม่ได้ถวายทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเรานั้นจัดว่ามีชีวิตอยู่ชั่วช้าแล้วคำว่าสอเป็นพยางค์แรกของบาทคาถาว่าสติวัตสสะหัดสานิมีใจความว่าเมื่อพวกเราถูกไฟไหม้อยู่ในนรกครบหกหมื่นปี โดยประการทั้งปวงเมื่อไรพวกเราจะพ้นไปได้คำว่านะเป็นพยางค์แรกของบาทคถาว่านัตถิอันโตกุตโตอันโตมีใจความว่าสหายทั้งหลายขอบเขตที่จะพ้นไปจากนรกย่อมไม่มีขอบเขตจะมีแต่ที่ไหนขอบเขตจะไม่ปรากฏเพราะเราและท่านทําชั่วไว้ในการนั้น คำว่าโสเป็นพยางแรกของบาทคาถาว่าโสหังโนนะอิโตคันตวามีใจความว่าเรานั้นไปจากนรกนี้แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญกุศลให้มากแน่แท้เมื่อเท้าเธอได้สะดับเรื่องนี้แล้วสงสลดพระทัยและปฏิญญาณว่าจะไม่ปรารถนาภรรยาของบุรุษอื่นอี แล้วกราบทูลพระพุทธองค์ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานานยาวนานเหลือเกินเพราะบันทมไม่หลับส่วนอมาที่ไปราชการตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นก็เหน็ดเหนื่อยเพราะได้เดินทางเป็นระยะทางถึงหนึ่งโยชนในวันก่อนดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ว่าเวลาคืนหนึ่งยาวนานสำหรับผู้นอนไม่หลับ ระยะทางหนึ่งยอดยาวไกลสำหรับผู้เดินทางที่เหนื่อยลา้าสังสารวัตรก็ยาวนานสำหรับคนเขลาที่ไม่รู้พระสัตรธรรมหลังจากได้สดับพระคถาแล้วบุคคลจํานวนมากได้บรรลุมรรคผลมีโสดาปติมร์เป็นต้นพระราชาได้รับสั่งให้ปล่อยสัตว์ที่จะฆ่าบูชายันทั้งหมดซึ่งหากไม่ทรงได้สดับคาสอนของพระพุทธองค์ เท้าเธอก็คงได้กระทำอกุศลกรรมอย่างแน่นอนในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อโชคลางเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วการคลั่งศาสนาส่งผลให้ไปเกิดในทุคติภูมิการครั่งศาสนาอาจเป็นเหตุให้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่าศาสนาของตนเป็นคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงส่วนศาสนาอื่นเป็นคำสอนที่ผิดเหตุนั้นพวกเขาจึงพยายามเผยแผ่ศาสนาของตนชักจูงผู้อื่นให้หันมานับถือศาสนาของตนด้วยการใช้กำลังบังคับหรือลงโทษคนนอกศาสนา บางครั้งก็มีสงครามาศาสนาที่ต่อสู้ฆ่าฟันฝ่ายตรงกันข้ามกรรมชั่วเหล่านี้เกิดจากการครั่งาศาสนานอกจากนี้การทำกรรมอาจมีเหตุมาจากความยึดมั่นลัทธิหรือความเห็นทางโลกอื่นๆคนบางคนพยายามทำให้ผู้อื่นยอมรับลัทธิของตนด้วยการกระทำทุกวิถีทางที่จะสามารถกระทำได้ ไม่เว้นแม้แต่การใส่ร้ายหรือยโยงให้แตกสามัคคีในหมู่คนที่ไม่ยอมรับความพยายามทั้งหลายเหล่านี้จัดเป็นกรรมภพที่มีสาเหตุมาจากอุปทานคือความยึดมั่นลัทธิกล่าวโดยสรุปความคลั่งไคล้ในการปฏิบัติหรือในความเชื่อใดๆที่นอกเหนือไปจากอัตถิธิความเชื่อในอัตตา นั้นจัดเป็นทิฏฐุปาทานที่ชักนำให้เกิดกรรมภพศีลพตุปาทานเป็นปัใจจัยให้เกิดภพใหม่คนบางคนเชื่อว่าสามารถบรรลุความหลุดพ้นได้ด้วยการปฏบิบัติบางประการที่ไม่ถูกต้องตามหลักอริยสัจสี่ ความเชื่อเช่นนี้ชื่อว่าศีลพตะปรามาตเช่นการบูชาสัตว์ดิรชานการประพฤติเยี่ยงสัตว์บางชนิดการวงสวงบูชายันโดยการฆ่าสัตว์เป็นต้นด้วยความหวังว่าจะได้ถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ดังที่กล่าวไว้ในคำภีวิสุทธิมากว่าบุคคลบางพวกเชื่อว่าการประพฤติพลดเหล่านี้ จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจึงกระทากรรมต่างๆที่ชักนำให้ปฏิสนธิในมนุษยโลกเทวโลกตลอดจนในรูปประพรมและอรูปประพรมขัมภีวิสุทธิมักข้างต้นได้กล่าวถึงกรรมที่ชักนำให้ปฏิสนธิในมนุษยภูมิและภูมิที่สูงขึ้นไปแต่ไม่ได้กล่าวถึงกรรมที่ชักนำให้เกิดในอบายภูมิ แต่เมื่อกล่าวโดยหลักของเหตุผลแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ศีลปตะปรามาจะไม่เป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วการที่คำพีไม่กล่าวถึงกรรมชั่วที่เกิดจากศีลปตะปรามาเพียงเพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วโดยไม่ต้องกล่าวถึงอีกจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในกุกุระวติกสูตร และพระสูตรอื่นๆว่าบุคคลจะเกิดเป็นโครหรือสุนักหากเขาประพฤติเยี่ยงสัตว์เหล่านั้นอย่างเต็มที่ทั้งด้วยการกระทำทางกายวาจาหรือความคิดหรือหากเขาเพียงแต่มีความเห็นผิดแต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เขาก็อาจไปเกิดในนรกหรือสัตว์เดรัจฉานนอกจากนี้ถ้าศีลพุทธปะปาทาน เป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์เพื่อบูชาพระเจ้าก็ย่อมชักนําไปสู่การเกิดในอวัยภุมได้เช่นเดียวกันกับการทำชั่วอื่นๆที่เกิดจากอุปทานซึ่งเป็นความยึดมั่นที่เกี่ยวเนื่องกับการบูชายันหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวโดยย่อคือความเชื่อว่าการปฏิบตับติบางอย่างมีผลในการขาจัดความชั่ว จัดเป็นศีลพุธตธะปาทานตามคำพีวิสุทธิมากกล่าวว่าแม้ความเชื่อว่าการรักษาศีลและการบำเพ็ญฌานเป็นวิธีจะนำไปสู่ความหลุดพ้นก็จัดเป็นศีลพุตตุปาทานเช่นเดียวกับอาลาลดาบทและอุทกกาดาบทที่ได้เจริญฌานจนบรรลุอรุปฌานก็มีสาเหตุมาจากความยึดมั่นว่า อรูปฌานนั้นเป็นทางแห่งความหลุดพ้นเหมือนกับบุคคลอื่นๆที่ได้กระทำกรรมด้วยความเชื่อถือพระเจ้าอุปทานเหล่านี้ชักนำให้ไปเกิดในภพใหม่และความทุกข์คือชราและมรณะเป็นต้น อตวาทุ ป, ปาทานเป็นปัใจจัยให้เกิดพบใหม่อุปทานประเภทสุดท้ายอัตวาทุ ป, ปาทานเป็นความยึดมั่นอย่างรุนแรงในอัตตาโดยเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่ามีอัตตาทิ่ถาวรนซึ่งเป็นผู้กระทำกรรมพูดและคิดทุกๆอย่างผู้ที่เป็นอิสระจากอัตวาทุ ป, ปาทานไม่มีมากนักคนส่วนใหญ่เชื่อว่า เราเป็นผู้เห็นได้ยินเคลื่อนไหวเป็นต้นความหลงผิดว่ามีอัตตาตัวตนนี้เป็นต้นเหตุให้บุคคลรักตนเองความรักและความห่วงใ ย, ยตนเองนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทั่วไปดังจะเห็นได้จากคำพูดของพระนางมาลิกาเทวีที่ทูลต่อพระเจ้าประเสิที่โกศลพระนางมาลิกาเทวีนั้น แต่เดิมเป็นที่ดาของคนขายดอกไม้วันหนึ่งได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ได้เสวยพัะนาหานั้นแล้วได้ตรัสกับพระอานนุ์ว่านางจะได้เป็นพระมเหสีพระเจ้าประเสิที่โกศนและในวันนั้นเองพระเจ้าประเสิที่โกศนได้แพ้ศึกแล้วทรงมา้าหนีมาเมื่อมาถึงสวนดอกไม้ ทรงหยุดพักด้วยความเหนื่อยอ่อนนางนั้นได้ตั้งใจปรนิบัติพระองค์เป็นอย่างดีจึงทรงพอพระทัยและได้พานางกลับวังและแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีคำพยากรณ์ของพระพุทธองค์กลายเป็นความจริงเพราะกรรมดีที่นางได้ทำไวทั้งในอดีตที่เพิ่งผ่านมาและในพบปัจจุบันอย่างไรก็ตาม พระนางทรงมีรูปโฉมไม่งดงามเท่าพระมเหสีองค์อื่นแต่เนื่องจากพระนางได้ถือกำเนิดมาจากตระกูลยากจนจึงไม่คุ้นเคยกับชีวิตในราชสำนักดังนั้นเพื่อปลอบประโลมให้พระนางมีใจเบิกบานพระราชาได้ตรัสถามพระนางว่าใครหนอที่เธอรักมากที่สุดทรงคาดหวังว่าคำตอบจากพระนางว่าพระองค์ เป็นที่หม่อมชันรักมากที่สุดแล้วเท้าเธอก็จะทรงตอบว่าพระองค์ก็ทรงรักใครพระนางยิ่งกว่าใครๆเช่นเดียวกันโดยหวังว่าการแสดงความเสน่หานี้จะช่วยให้พระนางมีความสุขมากขึ้นแต่เนื่องจากพระนางเป็นหญิงฉลาดและมีความมั่นใจจึงทูลตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่มีใครที่พระนางจะรักมากกว่าตนเองและทูลถามพระเจ้าปเสนที่โกศลว่าพระองค์ทรงรักผู้ใดมากที่สุดเท้าเธอต้องยอมรับว่าไม่มีใครที่พระองค์จะรักมากกว่าพระองค์เองเช่นกันเมื่อพระเจ้าปเาปสนที่โกศลได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าในโลกนี้ ไม่มีผู้ใดที่จะรักผู้อื่นมากไปกว่าตนเองทุกคนรักตนเองมากที่สุดเหตุนั้นทุกคนจึงควรเห็นใจและหลีกเลี่ยงจากการทำร้ายผู้อื่นในพระดำรัสข้างต้นพระพุทธองค์ทรงใช้สับบาลีว่าอัตตาตนเองแต่คำว่าอัตตาในที่นี้ม่ได้หมายถึงอัตตาหรืออัตมันที่เป็นอัตติฐิ แต่หมายถึงคำที่ชาวโลกสมมติขึ้นเมื่อพูดถึงตนเองเพื่อให้ต่างจากคนอื่นๆเท่านั้นแต่อัตตาทิฏฐิความเชื่อว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้นั้นเป็นเหตุให้เกิดความรักตนเองและอัตวาทุปาทานที่มีกำลังมากย่อมทำให้เกิดความรักตนเองมากเช่นเดียวกันคนเราไม่รักผู้ใดมากกว่ารักตนเอง บุคคลรักภรรยาสามีหรือบุตรทธิดาเพียงเพราะเป็นคู่ชีวิตบริวารหรือผู้เกื้อหนุนเท่านั้นความรักในฐานะสามีภรรยาหรือบิดามารดาหาใช่ความรักที่แท้จริงยิ่งไปกว่าความรักแก้แหวนเงินทองไม่ดังนั้นหากมีใครกล่าวอ้างว่ารักผู้อื่นมากกว่าตนเองคำพูดของเขาผู้นั้น ไม่ควรถือว่าเป็นจริงนักเพราะเมื่อถึงกราวเข้าตาจนแม้แต่มารดาก็ยังยอมสละชีวิตของลูกเพื่อรักษาชีวิตของตนเองครั้งหนึ่งยิ้คนหนึ่งได้อาศัยโดยสารไปกับขบวนเกวียนเพื่อข้ามทะเลทรายขณะที่นอนหลับอยู่นั้น ขบวนเกวียนได้เดินทางต่อไปโดยลืมนางและทารกน้อยไว้ข้างหลังเมื่อดวงอาทิตย์ลอยสูงขึ้นบนท้องฟ้าพื้นทรายก็ค่อยคอยร้อนขึ้นตามลำดับจนนางต้องใช้ตะกรก้ารองเท้าต่อมาได้ใช้ผ้ารองเท้าแต่ทรายก็ยังร้อนจัดขึ้นเรื่อยเรื่อยจนในที่สุดนางทนร้อนไม่ไหวต้องวางลูกน้อยลงใต้ร่างกายของนาง ทั้งสองคนทนต่อความร้อนอย่างนี้จนในที่สุดก็ถูกแดดเผาจนตายดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าแม้แต่มารดาก็ยังสละเสียซึ่งบุตรสุดที่รักเพื่อความอยู่รอดของตนเองความรักตนเองซึ่งเกิดจากอัตติธินี้เองเป็นเหตุให้บุคคลพยายามหาความสุขสบายให้ตนเองและครอบครัวด้วยวิธีต่าง ทั้งที่ดีและไม่ดีเขาไม่ลังเลที่จะทำกรรมชั่วเพื่อประโยชน์สุขของตนแต่อัตวาทุปาทานก็อาจเป็นเหตุให้ทำกรรมดีได้ด้วยเช่นบางคนให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อประโยชน์สุขในปรโลกซึ่งกรรมดีนั้นย่อมชักนาให้ปฏิสนธิในเทวโลกหรือพรหมโลกแต่ณที่นั้น ก็ยังจะต้องเผชิญกับชรามรณะและความทุกข์อื่นๆที่เป็นผลจากการเกิดอยู่นั่นเองกล่าวโดยย่อว่าความพยายามทุกอย่างเพื่อแสวงหาความสุขในปัจจุบันนภพในสำปรายภพนั้นเกิดมาจากความเชื่อในอัตตาที่เที่ยงแท้ถาวรความพยายามทากรรมที่มีอัตวาทุ ป, ปาทานเป็นปัจจัย ต่างจากความพยายามทำกรรมที่มีกามุปาทานเป็นปัจจัยก็ตรงที่อัตวาทุปาทานเป็นความยึดมั่นในความเป็นตัวตนแต่กามุปาทานเป็นความยึดมั่นในกามสุขแต่อย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลที่ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นอยู่กับอัตวาทุปาทานความเป็นตัวตนของเขาก็ยังผูกพันอยู่กับความต้องการกรรมคุณ อารมณ์ที่น่าปรารถนาอยู่อย่างแน่นแฟ้นด้วยสำหรับพระอริยบุคคลผู้ที่หลุดพ้นจากอตวาทุปาทานอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ยังทำกรรมดีด้วยแรงผลักดันจากกามุปาทานดังนั้นการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาของท่านอนาบินทิกะเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกา และพระเจ้ามหานามะเป็นต้นนั้นอาจเกิดจากความปรารถนาจะมีชีวิตที่เป็นสุขยิ่งขึ้นในมนุษยโลกเทวโลกหรือพรหมโลกหรือเพื่อบรรุมรรคผลที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกพระอนาคามีบุคคลอาจทำความดีด้วยความปรารถนาสุขในรูปภูมิหรืออรูปภูมิการบรรลุอรหัตธรร ซึ่งเป็นเครื่องประหารกามุปาทานความปรารถนาจะ บ, บรรลุอรหัตผลที่เป็นแรงจูงใจให้อนาคามีกระทำกรรมดีนั้นเห็นได้จากเรื่องของอุกคะคฤหบดีเรื่องอุกคะคฤหบดี ท่านอุคัคฤรหาบดีอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญคุณอันน่าอัศจรรย์แปดประการของอุคคัคฤรหาบดีเมื่อพระพิสุรูปหนึ่งได้ถามอุคทกเรหาบดีว่าคุณธรรมอันน่าอัศจรรย์แปดประการของเขานั้นคืออะไรบ้างอุคคักเรหาบดีตอบว่าเขาไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนั้น เพียงแต่ทราบว่าตนเองมีคุณธรรม8ประการดังนี้คือ 1. เมื่อเขาได้พบพระพุทธองค์เป็นครั้งแรกเขาก็เกิดความเลื่อมใสในทันทีว่าพระสมณะโคดมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริง 2. เมื่อเขาได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งอริยสัจสี่ บรร ล, ลุพระอนาคามีบุคคลเขาสมาทานรักษาศีลห้าเป็นนิตและรักษาปรมจันทร์บริสุทธิ์ 3. เขาได้บอกกับภรรยาของเขาทั้งสี่คนถึงการรักษาศีลของเขาและอนุญาตให้พวกนางกลับไปสู่บ้านบิดามารดาหรือหากพอใจชายใดก็จะยกให้ชายนั้นตามต้องการเมื่อภรรยาที่หนึ่งขอแต่งงานกับชายคนรัก เขาก็ได้จัดพิธีสมรสและยกเธอให้ชายคนรักอย่างเต็มใจ 4. เขามีความพอใจที่จะสลัดทรัพย์ทั้งหมดเพื่อแจกใจ่ายให้แก่พระอริยบุคคลผู้มีคุณธรรมชั้นสูง 5. เขาเข้าไปหาพระภิกษุด้วยความเคารพ 6. เมื่อพระภิกษุแสดงธรรมเขาก็ฟังด้วยความเคารพ ถ้าพระพิสุไม่แสดงธรรมเขาก็แสดงธรรมให้พระพิสุฟังเจ็เมื่อเทวดาบอกเขาว่าคำสอนของพระพุทธองค์เป็นธรรมอันประเสริฐเขาตอบว่าพระธรรมเป็นคำสอนที่ประเสริฐไม่ว่าเทวดาจะกล่าวเช่นนั้นหรือไม่และเขาไม่รู้สึกย่อหยิงที่ได้สนทนาธรรมกับล่าเทวดาแปด เขาทราบว่าตนเองหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์เบื้องต่มห้าประการคือสักยะทิฏฐิวิจิกิจราสิลพตปาาฏกรรมราคะและพยาบาทที่ชักนำให้ปฏิสนธิในกรรมภูมิวันหนึ่งอุค ข, ขะคฤรหบดีพระอนาคามีผู้มีคุณธรรมน่าอัศจรรย์แปดประการ ได้ถวายพระทหารและผ้าเนื้อดีประณีตที่ตนพอใจยิ่งนักแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องอนิสงค์ของการให้ทานว่าผู้ที่ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สมคุณอันประเสริฐเป็นผู้ที่บำเพ็ญทานที่ผู้อื่นทำได้โดยยากดังนั้น จึงได้รับสิ่งที่เขาปรารถนายิ่งหลายปีต่อมาอุคคัคคาห บ, บดีได้สิ้นชีวิตลงแล้วได้ไปบังเกิดในสุทธาวาดพรมและได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นวันหนึ่งท่านได้มาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วกราบทูลว่าตนได้บรรลุพระอรหันต์ตามที่ปรารถนาเพราะได้ถวายพัตหารที่ชอบใจแด่พระสงฆ์ ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกในชาติก่อนพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงอนิสงค์ของการบริจาคทานอีกครั้งว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่หายากย่อมได้ของที่หายากผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานนะอันประเสริฐ บทเรียนจากเรื่องที่นำมาสาธนี้คือบุคคลอาจจะบรรลุอรหัตผลอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพรหมจาร์ด้วยอณนิสงค์ของการให้สิ่งของที่พอใจและมีค่าที่สุดการบริจาคทานและอุคคะคฤหบดีหรือนางวิสาขาเป็นต้นมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาอรหัตผลและความปรารถนานี้ ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากามุปท า, านทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันบางคนอาจเห็นด้วยกับการใช้คำว่ากามุปท า, านเป็นชื่อเรียกความปรารถนาอารหัตผลและพอใจที่จะใช้คำว่ากุศลฉันทะความปรารถนาที่เป็นกุศลหากเป็นเช่นนั้นก็จะต้องหาคำอธิบายว่า อุปทานชนิดไหนเป็นเหตุให้พระอริยบุคคลกระทำกรรมเช่นให้ทานรักษาศีลเป็นต้นดังนั้นจึงควรถือว่ากุศลดังกล่าวเกิดจากกามุปาทานที่ยังละไม่ได้ในกระแสจิตของพระอริยบุคคล